นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมทัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคระหัตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> นาบัดนี้เป็นต้นไปเป็นเวลาปฏิบัติบูบชานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้นั่งขัดสมาธิ การนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นมีมาตั้งแต่พระพุท ธ, ธเจ้าวันที่พระพุท ธ, ธเจ้าของเราจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุท ธ, ธเจ้าขึ้นในโลกพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชง่ายไม่ใช่ยากคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขา ข, าขวาก่อน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 มันจะมีอารมณ์เรื่องใดพุทโผล่ขึ้นมาในใจก็าตามเราต้องปฏิเสธปัดทิ้งไม่ให้จิตใจเช่นนั้นขึ้นมาแทรกแซงในเวลาที่เราเนกบริกรรมภาวนาอยู่คือว่าการนั่งสมาธิภาวนานี้ท่านต้องการใจ ตั้งมัน่นใจตั้งมัน่นใจจะตั้งมั่นได้ก็ต้องมีสติจิตใจของเราทุกคนให้เป็นผู้มีสติเมื่อมีสติจิตใจก็ตั้งมั่นได้เมื่อใจตั้งมั่นได้ปัญญาก็มีปัญญาก็เกิดเมื่อปัญญาเกิดขึ้น ญาณความรู้แจ้งเห็นจริงก็ย่อมเกิดตามตามกันไปแต่การนั่งสมาธิภาวนาเนี้ต้องทำให้เป็นข้อวัดปฏิบัติตัวเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ที่วัดที่บ้านที่ไหนก็ตามในวันหนึ่งหนึ่งในคืนหนึ่งหนึ่งนั้น ก่อนที่เราจะหลับจะนอนให้ฝึกตัวเองให้ได้ว่าเราจะต้องไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาเสียก่อนให้ยิตใจเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้ให้ถือเป็นข้อวัดประจำ และเป็นข้อวัดประจำชีวิตประจำชาติของเราด้วยไม่ใช่ว่าวันไหนสบายอกสบายใจก็ภาวนาถ้าใจไม่สบายแล้วก็เลิกไม่ภาวนาอย่างนี้ไม่ได้คือทำอะไรไม่มีความสัตย์ความจริงไม่อธิษฐานใจของตนไว้ ไม่มีความตั้งใจมัน่นถ้าเรามีจิตใจตั้งมั่นว่าในคืนหนึ่งๆก่อนจะหลับจะนอนต้องให้เด่นนั่งสมาธิภาวนาเอาจนจิตใจสงบระงับเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้สำคัญมากถ้าหากว่า เราถึงเวลานอนก็ น, นอนไปเฉยๆไม่มีข้อวัดปฏิบัติฝึกหักตัวเองจิตใจมันก็เลื่อนลอยไปเรื่อยลุ่มหลงไปเรื่อยถ้าเรามีข้อวัดปฏิบัติประจำตัวประจำกายวาจาจิตของเราเมื่อได้เวลาเราก็ต้องตั้งใจทำทีนี้คนเรานั้นมันชอบมักง่าย คือว่าต้องการจะให้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานง่ายง่ายแต่การประกอบกระทาของเราไม่มีความจริงใจอย่างนี้ก็ไม่ค่อยได้เราต้องตั้งใจลงไปทำให้ได้ทุกทุกคืนหรือว่าทำโดยความสม่ำเสมอจิตใจนั้นมันจึงค่อยเป็นไปในทางดีได้ เพราะว่าจิตใจคนเรานั้นท่านว่ากิเลสในใจนั้นมันชอบไหลไปในทางที่ต่ําไม่ว่าอารมณ์เรื่องราวใดๆมันต่ำจริงที่เรียกว่าไปตามกิเลสนั่นแหละเรียกว่ามันต่ําอารมณ์ต่ํานั้นมันพาให้จิตใจเราหลงไหลไปได้ง่ายๆท่านจึงให้มีความสัตย์ความจริง ในเวลาปฏิบัติบูชาประจำกายวาจาจิตของเราเมื่อมีความตั้งใจมั่นประกอบกระทําอยู่เสมอเสมออันความอยากความต้องการนั้นให้เป็นส่วนหนึ่งที่มันได้มันถึงเป็นไปได้นั้นคือว่าเราต้องทําอยู่เสมอเสมอในหลัก ท่านพูดแสดง ง, ง่ายง่ายแล้วว่าทานศีลภาวนามีทานมีศีลมีภาวนาถ้าเรามีภาวนาอยู่ทุกคืนทุกคืนพาให้นิสัยใจขอของเรานั้นเปลี่ยนแปลงจากที่ไม่ดีให้ดีได้ เพราะอะไรทุกอย่างมันสู้ที่ว่าทำอยู่เสมอๆไม่ได้การประกอบประทําอยู่นั่นแหละเป็นหลักปฏิบัติและเป็นการเปลี่ยนแต่ง จ, จ, จิตใจของตัวเองให้ดีขึ้นถ้าเราไม่มีข้อวัดปฏิบัติเป็นเครื่องฝึกฝน จ, จิตใจ มีแต่ความต้องการตารถนาอย่างเดียวย่อมไม่สำเร็จเมื่อเราต้องการสิ่งใดต้องมีความาพาดเพียนพยายามในสิ่งนั้นจึงจะสำเร็จได้เราต้องการความพ้นทุกข์ภัยในวัฏสงสารเราต้องตั้งใจทำดีตลอดกาล คนอื่นผู้อื่นจะมาชักจวนไปให้เราทำชั่วเราไม่ไปเมื่อเราไม่ไปความชั่วต่างๆก็เกิดขึ้นไม่ได้เทนเนกิเลตในหัวใจนั้นท่านว่ากิเลมานสังขารมารมานคือสังขารปรุงแต่งเมื่อมานคือสังขารปรุงแต่ง ถ้าเราไปเชื่อไปหลงมน ก, ก็ไม่มีเวลาทำไม่มีไม่มีเวลาปฏิบัติเคอมารสังขาร น, นั้นเขารู้จักนิสัยใจคอของเราดีว่านิสัยใจคอของเรานั้นเป็นคนมักง่ายเขาก็รู้แล้วก็ชอบอารมณ์ใดเขาก็รู้มารสังขารมันคอยจะเอาสิ่งที่ จิตใจเราชอบเราหลงนั่นแหละมาโกหกพกลมทีในี้ใจของเรามันก็ไปตามมานกิเลสนั้นได้ง่ายที่สุดเพราะว่าการทําความดีนั้นว่าเหมือนปิ้งคบขึ้นภูเขาการทําความชั่วเหมือนกับปล่อยคบลงมาจากภูเขามันง่ายมันปิ้งลงไปเอง คือเราต้องตั้งใจให้มั่นคงอย่าไปเชื่อหลงหลงกิเลสของคนในโลกธรรมดาคนในโลกนั้นมันก็ชัก่วนดึงไปในทางที่ไม่ดีนั่นแหละเป็นส่วนมากในทางพุทธศาสนาท่านจึงให้คบฆ่าชมาคมกับบัณฑิต ท่านมาให้ไปคบค้าสมาคมกับคน่านคนพานภาย น, นอกอย่างหนึ่งคนผ่านภายในจิตเป็นผ่านคือจิตใจคนเรามันชอบไหลไปนในทางที่ต่ำที่ชั่วนั่นแหละคือมันเป็นเป็น่านอยู่ในตัวอย่างว่าได้เวลาได้เวลาไหว้พระสวดมนนั่งสมาธิภาวนา ถ้าไปเชื่อกิเลสมารสังขารละมานไม่ได้ทำเพียงเราคิดว่าจะลุกขึ้นไหวพระสวดมนต์เสตีนั่งภาวนานันมีข้อแก้ตัวล่ะถ้าร้อนมันก็เอาร้อนมาแก่ว่าร้อนอย่าเพื่อนั่งภาวนาเลยมันเย็นสบายใช่ก่อน ถ้าทําการทํางานหนักนินท์หน่อยๆมันก็ว่เหนื่อยวันนี้ภาวนาไม่ไหวนอนเชืกอกอดหรือวันนี้กินไม่ค่อยอิ่มดีเท่าไหรอย่าเพื่อภาวนาเลยมันท้องมันหิวมันหิวถ้าวันไหนอิม่มๆจึงค่อยภาวนาอันนี้ก็ไปเชื่อมันไปเลย ร่างกายสังขารสบายเกินไปก็ภาวนาไม่ได้ยึกร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ภาวนาไม่ได้ยึกลองทายที่สุดแลว้วหาเวลาไม่ค่อยมีทั้งๆเวลามันมีอยู่ทุกชั่วโมงนาทีวินาทีวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็มียี่สิบสี่ชั่วโมง เท่ากันทุกวันแต่เวลาคนเราจะทำคุณงามความดีให้แก่ตัวเองแท้ๆก็ยังว่าหาเวลาไม่ได้ไม่มีเวลาเราหาได้คิดอ่านให้ดีไว้เวลามันจะเจ็บใครได้ป่วยทำไมมันไม่เลือกเวลาปวดหนูตัวร้อนเป็นใครไม่สบาย โรคภัยไข้เจ็บเวลามันจะเกิดขึ้นมันไม่มีเวลาเจ็บขึ้นมาลอยๆขึ้นมาเวลาเราจะภาวนาสร้างคุณงามความดีให้แก่ตัวเองหาเวลาไม่ค่อยได้ปลีกตัวออกจากความยุ่งเหยิงไม่ได้ อันีน่เคยว่าเราไปเชื่อมารสังขารกิเลสมารสังขารละมารเขาเคยผูกมัดลัดลึงเราท่านทั้งหลายให้ติดอยู่ข้องอยู่ไม่ให้หนีจากโลกไม่ให้พ้นจากโลกต้องดูพระพุทธ เ, ทเจ้าเป็นประถานถ้าดูคนธรรมดาสามัญทั่วไปแล้วย่อมไม่มีเวลาพระพุทธ เ, ทเจ้านั้น นับตั้งแต่ท่านปราถนาเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิยานมาท่านไม่ให้ขาดเกิดมาพบใดชาติใดก็ตามทานศีลภาวนาท่านจงยกใส่เก้าเท่าใส่หัวตั้งใจทำตลอดชาติมันจะเป็นอะไรอะไรก็ให้เป็นไป แต่ว่าสาธานศีลภาวนาของพระโพธิสัตว์ท่านไม่ให้เสียท่านทำท่านปฏิบัติตามหน้าที่ของท่านเมื่อท่านทำได้ทุกทบถุกชาเกเจ็ตใจนั่นแหละมันเป็นบุญเป็นบารมีขึ้นมาใจมันก็แก่กล้าสามารถทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นไปโดยลำดับลำดับ ผลที่สุดก็ได้ถึงขั้นตัดสรู้เป็นประพุติ้านั่นคือว่าท่านทำไม่ถอยท่านไม่ท่อถอยคนอื่นผู้อื่นท่อถอยท่านก็ไม่เกี่ยวท่านเอาตัวของท่านได้เราทุกคนก็นให้คิดถึงตัวเองให้มากแล้วก็เตือนใจของเราให้รู้สึกสำนึกว่า ที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยมันมีความแก่ความชราเป็นธรรมดาจริงๆแม่ตัวคนผู้นั้นไม่ต้องการความแก่ความแก่มันก็แก่ไปตามระเบียบตามลำดับมันไม่ได้ฝังไข่ทางนั้นแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ก็เหมือนกันไม่ไม่ใครปรารถนาว่า ให้ข้าพเจ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเถิดมีแต่จะไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยกินยกกินยาอยู่ทุกวันทุกคืนถึงกะนั้นมันก็มีโอกาสเจ็บป่วยได้นี่แหละเวลาเราจะทำความดีทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนามักจะอ้างโน้นอ้างนี่ไปตามเรื่อง คือไม่ได้คิดดูว่าเวลาแก่มันไม่ได้เลือกเวลาเวลาเจ็บมันไม่ได้เลือกเวลาหรืออย่างเวลาตายของคนเรามันไม่ได้เลือกเวลาเช้าเช้ามันก็ตายได้กลางวันมันก็ตายได้เที่ยงวันมันก็ตายได้ตะวันบ่ายมันก็ตายได้ สิบแปดนามันก็ตายได้มันตายได้ทุกเวลาถ้าเราคิดดูให้ดีแล้วเอ้ความตายมันตายได้ทุกวันทุกคืนอย่างนี้คนอื่นเขาตายให้เห็นเราก็เอามาคิดมาพิจรารณาถ้าตัวเรานี่ถึงขั้นตายอย่างนั้นคนงามความดีอันใดของเราเกิดมีแล้วหรือยับ เราจะไปล่องขอเอาจากใครในเมื่อเวลาเราอยู่ดีสบายพอที่จะประกอบกรรมเอาบุญกุศลวนนี้เราอย่าให้มันเสียเวลาให้เลี่ยดทำเพราะเมื่อความเจ็บไข้มาถึงก็ตามหรือว่าความตายมาถึงตัวของเราก็ตามเราจะไปเปลี่ยนให้คนโน้นคนนี้ว่าช่วยบ้าง หรือว่าไปช่วยตายให้ข้าไปเจ้าปะเขาจะไม่ยอมก็ได้ววละของแกแกก็ตายไปสิจะมาเอาข้าไปเจ้าไปตายทำไมเล่าเขาก็ว่าน่านั้นเราต้องตั้งใจของเราเองพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดว่าอัตตาหิอัตโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตนเมื่อเอาจริงๆมันตนเป็นที่พึ่งของตนจริงได้เราจะไปคิดพึ่งคนอื่นมันก็ได้นิดๆหน่อยๆไม่เต็มเม็ดเต็มหนวยถ้าเราพึ่งตัวเราเองแหละตั้งใจไว้ว่าทุกคืนจะเจ็บไข้ได้ป่วยขนาดหนักขนาดไหนก็ตาม เราจะนั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์ให้ได้มันจะตายเราก็ยอมตายในที่การทำคุณงามความดีนั่นเมื่อตั้งใจไว้อย่างนั้นแล้วก็ประกอบกระทำให้ได้เป็นขั้งแรกขั้งที่หนึ่งเมื่อทำได้ขั้งที่หนึ่งขั้งที่สองตัวทำได้ ขั้นที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบก็ทำได้แต่ถ้าเราไปละเลยเสียขั้งแรกก็ทำไม่ได้มันก็โกหก 6, พกลมเราเรื่อยไปผลที่สุดเลยไม่มีเวลาทำไม่มีเวลาปฏิบัติทั้งๆังเวลามันมีอยู่ ชีวิตเราก็ยังมีอยู่ยังไม่ตายเราจะว่าทำไม่ได้ไม่ได้เราเรีบทำทีเดียวเพราะว่าเมื่อความตายมาถึงเขา้าไม่มีใครจะช่วยได้ดีเท่ากับคุณงามความดีที่เราทำไว้เราทำบุญให้ทานรักษาศีลโดยเฉพาะการนั่งภาวนาเราต้องเอาให้มันมากมากน้อย พราะว่าการภาวนามันเป็นต้นตอแห่งการปฏิบัติมันเกิดขึ้นจากนี้ทานศีลภาวนาท่านให้ม้วนลงมาที่ภาวนาตั้งใจให้มัน่นเอาให้มันเจงในใจของเราฝึกหัดตัวเองให้เป็นคนจริงจริงตามการจริงตามเวลา ได้เวลาทำอะไรให้รีบทำโดยเฉพาะคือว่าเวลาปฏิบัติธรรมะเวลาฟังธรรมเวลาปฏิบัติบูชาสิ่งเหล่านี้เราต้องเอาเวลาเข้ากาเกณฑ์ไม่ให้จิตใจมันละหลวมเพราะว่าใจมนุษย์ปุถุชนคนเรานั้นมันละมันละจนหลวม หลวมมันก็หลุดหลุยไปหมดจะทำเวลาใดก็ไม่มีเวลาทำภาวนาไม่ได้ถ้ายังเด็กมันก็อ้างว่าข้าพเจ้ายังเด็กยังไม่รู้ภาษาอะไรแล้วก็ยังมีเวลามากอยู่ข้างหน้าคงจะได้ได้ทำ แต่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเข้าหรือความตายมาถึงเข้ามันไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกว่ายังเด็กๆอยู่ไม่ตายไม่ได้เด็กๆก็ตายให้เราเห็นกันอยู่นมๆก็ตายให้เราเห็นกันอยู่แก่ชราแล้วไม่ตายก็ไม่ได้คนแก่ชราก็ตายให้เราเห็นอยู่ โรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มันเกิดขึ้นในร่างกายของคนเหล่านั้นไม่ว่าโรคชนิดไหนถ้ามันรุนแรงมันตายได้ทุกเวลาฉะนั้นเราจะไปอ้างการอ้างเวลาอยู่ไม่ได้คนสมัยครั้งพระพุทธเจ้าโน่นะเป็นคนตั้งใจเด็กๆให้คิดดูว่า ั้างเยินั้างชา้าขนาดเจ็ดขวบเจ็ดปีท่านสามารถภาวนาได้ละกิเลสได้ด้วยเป็นพระโสดาสกิทาคาอน า, าคาเป็นได้ถึงพระอรหันต์เาคือว่าท่านทำท่านไม่ใช่เป็นนักพูดนักพูดอย่างเดียวมันพอทำได้ นักทมนักปฏิบัติยากน้อยแต่นั้นยาได้เป็นเพียงแต่พูดได้แต่ไม่ทําไม่ปฏิบัติไม่ได้ผลแล้วก็ทําไมข้าพเจ้าทํำจึงไม่ค่อยได้ผลหรือว่าภาวนาเวลามาหลายปีหลายเดือนแล้วจิตใจก็ยังไม่เป็นไปได้เพราะเหตุไรแล้ว เพราะว่าเราทำอะไรมันไม่จริงใจใจไม่จริงเมื่อใจไม่จริงที่เล็มานสังขารมานมันก็หลอกลวงให้วันไวสันสะเทือนไปต่างๆนานาเลยจิตใจไม่แน่วแน่มัน่นคงเราต้องเอาให้มันแน่วแน่มัน่นคงการภาวนานั้นความจริงคือว่าทุกิริยาบท ยืนก็ภาวนานั่งก็เรียกว่านั่งสมาธิภาวนาเดินก็เรียกว่าเดินจงกลมภาวนานอนสิ้หักสยายญาตินอนตะแคงขวาก็เป็นการภาวนาคือว่าทุกิริยาบทยืนเดินนั่งนอนเมื่อหัดเข้าชำนาญเข้ามันต้องทุกิริยาบทนอนแหละเหมือน จึงจะเป็นไปได้ถ้าเราจะเอาเวลานั่งอย่างเดียวบางคนมันนั่งมาตลอดวันแล้วเมื่อมาถึงเวลาจะหลับจะนอนมันก็งวก่วงไปนั่งเขานิดหน่อยมันก็เหงาหละคนที่สุดก็ไม่ได้เลือกถ้าง่วงเหงาเหานอนจะทำอย่างไรง่วงเหงาเหานอนทำก็มีสิ่งที่แก้ได้ ถ้าเราเดินความง่วงเหาหวหานอนมันจะหายไปแต่อย่างอื่นนั้นทามันง่วงมากมากเลยเอาไม่ไหวอย่างนั่งสมาธิก็เถอะนั่งเข้ามาทำมันความง่วงมาทับถมนะมันหลับไปเลยคอพับลงไปแล้วก็หลับโกนเกาะเกาไม่ได้เรื่องมันได้ลาวท่านให้เดินจงกรม เดินกลับไปกลับมาให้จิตใจมันชดชื่นให้ร่างกายมันปลอดโปร่งความจริงถ้าเดินมากมากมีสบายผู้ฝึกหัดจิตใจแรกๆจะต้องใช้การเดินให้มากหน่อยนั่งมากหลายก็ไม่ค่อยดีเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายจึงให้เอาพอดี แต่เดินเนี่ดีร่างกายแข็งแรงปลกภัยไข้เจ็บก็ไม่จำเลิกเลือดลมก็ปลอดโปร่งวิ่งได้พลานทั่วร่างกายแต่คนเราไม่ค่อยชอบเพราะมันไม่ค่อยหลับได้เดินในสมัยครั้งพุทธกาลยังมีพระภิกษุบวชใหม่อง์หนึ่ง เป็นคนลูกหลานเศษรษฐีก็ว่าลาพ่อเศรษฐีมาบวถเขาก็ไม่อยากไม่บวถพอท่านลาได้มาบวถท่านภาวนาจริงๆองค์นั้นคนสมัยนี้ดูจะไม่มีความอดทนเหมือนองนั้นทีแรกท่านก็มานั่งภาวนา นั่งภาวนามันก็เกิดหลับหล่าไม่ได้เรื่องท่านก็เอาไปคิดไปอ่านพิจารณาว่าทำอย่างไรหนอเราจึงจะไม่ง่วงท่านก็คิดไปมาทบทวนไปมาเอาเดินจมกลมไปท่านก็ไปปัดกวาดนอนลานวัดที่อยู่อาศัย ทำที่เดินจนกรมน์แต่ น, นี่ท่านไปเดินเอาจริงด้วยเดินจนกระทั่งว่ามันนานสักเท่าไรก็ไม่ทราบจนเดินจนเท่าแตกเลือดไหลเดินไม่ได้ท่านก็ยังไม่ถอยความเกียดว่าเอเดินจน เท่าแตกแล้วก็ยังไม่ได้สำเร็จมากผลท่านก็คลานเอาบนะ่ลเอาเข้าลงไปมือสองข้างลงไปคลานเหมือนเหมือนวัวควายละ่ะภาวนาพุทโอเรื่อยไปอง น, นี้ท่านท่านสอนตัวเองโดยวิธีนี้ขั้นเข้าก็นานเข่ามัน เขาก็แตกเลือดไหลค า, านไม่ได้มือก็แตกเลือดไหลค า, านไม่ได้ท่านก็ยังไม่ถอยความเพียนเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะทำอย่างไรท่านก็ปรึกษาใจของท่านท่านก็บาทเน่ก็เอานอนขวางทางไป พื้นแผ่นดินเรียบเรียกปัดกวาดดีๆแล้วนอนกลิ้งไปแลวพลิกไปพลิกไปพุโทโธไปจนสุดทางจงกลนแล้วก็กลิ้งกลับมาอีกถึงสุดทางนี้อีกภาวนาพุโทโธเลื่อยไปอย่างนั้นแ่ะอีกตอนนอนขวางทางนี่แหละได้การเลยคือร่างกายก็ไม่แตกไม่ เก็บไม่ปวดเหมือนเกิดยืนและขาดความหนักมันสม่ำเสมอกันเลยร่างกายไม่ไม่เป็นลายใจก็ภาวนาได้เรื่อยไปจนนานต่อนานจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิจนเกิดปัญญาวิชาความรู้และความง่วงเหลอเหานอนได้ จนถึงขั้นได้สาเร็จมรรคผลในการเดินจงกรมแบบนอนจงกรมแต่ไม่ใช่นอนนิ่งนิ่งถ้าไปนอนนิ่งนิ่งกิเลสมานมันก็เข้าเหยียบคอเท่านั้นเองแต่ท่านไม่นิ่งกลิงไปพุโทโธกริ้งไปนึกจเจริญเอาจําได้ใช่ถนะดได้สําเร็จในการเดินจงกรมองนั้น พวกเราทั้งหลายทุกองค์ทุกคนถ้าเอาขนาดนั้นแล้วหลวงปู่ว่าได้สำเร็จทุกคนนันแหละตอนที่มันไม่เอาเนี่ยดีตอนนี้มันไม่ได้ถ้าถามว่าอยากได้ัหมโอ้ยกมือสาธุอยากได้แหละ ย, ยากเป็นคนที่หนึ่งของโลกแต่ว่าเวลาทำมันไม่เป็นคนที่หนึ่งของโลก โยในวิสัยทุกคนจะต้องเป็นไปได้แต่ว่าการปฏิบัติบูชาภาวนานั้นท่านว่ามันเป็นไปตามจริตนิสัยของแต่และบุคคลจะไปเรียนแบบอย่างองนั้นองนี้ถ้าเอาเข้าจริงๆมันก็ไม่ค่อยจะได้มันมีแบบของใครของมันอยู่ในตัวอยู่ในใจนั่นแหละ อุบายธรรมต่างๆก็เหมือนกันมันไม่ใช่พุโทโธอย่างเดียวอุบายใดเมื่อเราเอามานึกมาเจริญมาสอนจิตสอนใจของเราถ้าให้จิตใจเราสงบระงับได้รับความสลดสังเวชก็ให้ถือว่าเป็นอุบายภาวนาที่ถูกกับ จะริจิตใจของเราเอานั้นมาพิจและนาแต่บางคนนั้นเอาอุบายใดก็มักจะไปโมติอุบายว่าอุบายนั้นก็ไม่ส ง, งบอุบายนี้ก็ไม่ส ง, งบจะให้มันส ง, งบจะให้สําเร็จง่ายๆ แต่ว่าการทำการภาวนามันไม่ติดต่อกันก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คิดฝุ่งสารไปว่าข้าพเจ้านี้บุญวาสนาบา ร, รมีมันถ้าจะน้อยไปน้อยก็ไปคิดไปอย่างนะบา ร, รมีไม่มีใครน้อยใครมากคนเหล่านั้นบา ร, รมีนั้นไม่ใช่อยู่ที่อื่น เราดูที่ตัวคนเราก็รู้มีตาดีตาสองข้างไม่บอดนั่นแหละคนมีบา ร, รมีคนมีหูสองข้างไม่โง่นั่นแหละคนมีบา ร, รมีคนมีแขนสองข้างไม่ด้วนนั่นแหละคนมีบา ร, รมีคนมีขาสองขาเดินได้นั่นแหละคนมีบา ร, รมี คนไม่เป็นใบก็เป็นคนมีบามีคนไม่เป็นผีบ้าก็เป็นคนมีบามีเมื่อบามีมันมีอย่างนี้มันต้องทําต้องปฏิบัติขึ้นแม้จะดีหมดทุกอย่างแต่ว่าอาศัยกิเลสมายั่วยุให้ท้อทอยความเพียรไปเชื่อมานกิเลสที่ว่านะ ก็ไม่ได้เลือกอย่าไปฟังมันตั้งใจทาตั้งใจปฏิบัติมันจะหลอกลวงให้เราหยุดยัง้งเป็นอันว่าไม่ยอมพระพุทธเจ้าพระอริอยเจ้าทั้งหลายท่านไม่ยอมง่ายง่ายท่านเอาจริงจริงกีแลความโกรธความโลภความหลงนี้ท่านเห็นว่าเป็นตัวมาร้ายที่สุด ท่านลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้เอาจนได้ชัยนะไม่ใช่คนอื่นสู้ให้นะตัวของท่านถัดสู้เองและอิเล็กเองทำความเพียรเองจนได้บรรลุมรรคผลถึงซึ่งนิพพานด้วยจิตใจของตัวเอง อย่างนี้เราจะต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าทำไมท่านจึงทำได้ปฏิบัติได้ถ้าจะว่าถึงชาติตกูลก็ท่านเป็นลูกท่าวพญามหากษศัตร์ตระกูลสูงที่สุดถ้าจะดูตามปูริสสามลักษณะตามตำนานหนังสือทันกว่า ร่างกายสังขารท่านเด ว, วา่าสู้ภาพเรียบร้อยแข็งแรงท่านทำอะไรก็เอาจริงทำจริงด้วยผลที่สุดท่านทำจริงๆปฏิบัติจริงๆ จ, จนในโลกไม่มีใครสามารถจะปรสรูนได้เหมือนกับองค์แต่พระองค์ท่านตัดได้ทำได้ นั่นหละคือว่าคนทาจริงมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นประธานมีพระสงฆ์สาวกเจ้าท้งหลายเป็นต้นเป็นประธานจึงได้เป็นคติตือนใจเราเราท่านท่านว่าอย่านิ่งนอนใจไม่มีใครจะช่วยตัวเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองตัวเรานั่นแหละ เตือนตนด้วยตนเองที่ยณ า, า, านาภาวนาคิตใจของตนเองให้สงบตั้งมั่นให้เอาจริงจรงทำจริงๆเมื่อทำจริงปฏิบัติจริงจะไม่รู้จริงเห็นแจ้งนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องเป็นไปได้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าพระองค์ ยังละยังตัดได้ทั้งๆที่เราดูชาตุดูตระกูลนั้นไม่น่าจะออกมาบวชมาภาวนาได้ถ้าคนสมัยนี้ละก็จ้างอีกก็ไม่ได้สมัยนั้นไม่ต้องจ้างท่านมีศรัทธาเสด็จออกบรรพชาเองไม่ให้ไปท่านก็รัด ออกไปเที่ยงคืนเราก็ลกขึ้นทีมากไปเลยใครไม่ทันทํนลนะ่ะทันเอาดีทันเก่งทันเก่งมากดังนั้นเราทุกคนต้องเรียนแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทันภาวนาเก่งเราก็ต้องเอาให้เก่งภาวนาไม่ใช่เก่งพูดเก่งที่คุยใช่ไหมนะ เก่งปฏิบัติละกิเลสความโกรธหมดไปน่นลคนเก่งละกิเลสความโลภราคะตัณหาตัดออกจาก จ, จิตใจได้นั่นแหละคนเก่งพระเก่งเน่นเก่งเมขาเมฆีเก่งต้องเป็นผู้ตัดกิเลสในใจของตนได้ไม่ตามใจกิเลสผู้ไดตามใจกิเลสของตนเจอย จะจากว่าเป็นคนเกิงกล้าสามารถไม่ได้คนอ่อนแอทอดแท้์ทางนั้นพระพุทธเจ้าท่านสา ม, มารถอาจทานมรคนิพพานที่พระองค์ได้ตัดสูนั้นความจริงคือพระองค์เอาชีวิตแลกกัดูเวลาวันนั้นที่พระองค์ได้ตัดสูท่านมีความตั้งใจว่า แม้ชีวิตเลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีมันจะตายเราก็จะให้ตายที่นี้จะไม่ไปตายที่อื่นท่านตั้งใจลงอย่างนั้นเจ้ากิเลสมารสังขารมานไม่ต้องมาหลอกเราอีกต่อไปเราไม่เชื่อแกแล้วพระองค์ที่หน้ากิเลสได้ ท่านไม่ทําตามจริงๆท่านภาวนาลูกเดียวคิดใจแน่วแน่มั่นคงจนได้ตรัสรู้พระอนุตตรธรรมมาสัมโพธิญาณจริงๆไม่มีใครไปช่วยพวกเราทั้งหลายก็ไม่ได้ไปช่วยท่านอย่าว่าแต่ไปช่วยภาวนาแม้อาหารและดินธบาตเราก็ไม่ได้ไปใส่บาตรกับพุทติเจ้า ถ้าไปเกิดสมัยนั้นเกิดูจะเป็นคนตักบาบรไม่นคนใส่บาท่ะพระพุทธเจ้ารวยใหญ่แล้วไปขอขอทานทันกับท่านเรียกว่าไปตักบาทพระพุทธเจ้าไม่ใส่ใส่บาทฉะังนั้นเราต้องตั้งใจของเราเสียหันใหม่อย่าไปเอาใจที่เกียดที่ค้านมักง่าย ใ, ใจมีความเปียนความหมั่นความกยันอะไรทุกอย่างมันขึ้นกับความหมันกยันทั้งนั้นแหละไม่ว่าทางโลกไม่ว่าทางธรรมทางโลกเราก็จะบน่นแต่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีก็เราไม่ทำการทำงานให้มันเป็นร่าเป็นสันมัวเห็นแต่ความสกสบายใน โลกมันก็เลยเช็ตก็จิตมันก็จิตมันก็สั้นเข้าไปไม่ได้เรื่องไม่ได้เล่าท่านไม่นั่งภาวนาปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนาก็ตีโพยตีภายว่าไปอย่างใดที่จะไม่ได้ทำแล้วก็ชอบอย่างนั้นเราต้องไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาพระพุทธเจ้าท่านพูดจริง พูดอะไรเตลว่าพูดจริงตัด จ, จริงสอนจริงคิดจริงคิดว่าจะให้เด็กตัดสรูกเป็นพระพุทธิเจ้าถ้าไม่ได้ตัดสรูกข้าจะนั่งภาวนาให้มันตายแห้งเหมือนกบยากการตั้งใจภาวนาเอาจนได้ชัยชนะตัดสรูกเป็นพระพุทธิเจ้าช่วตัดกิเลสในใจิตในใจของเจ้ อ, องค์ คนเราทุกคนก็มีกิเลสตัณหาเหมือนเหมือนกันถ้าเราตั้งใจให้ดีตั้งใจตัดตั้งใจละตั้งใจภาวนาแล้วอะไรทั้งหมดมันไม่เหลือวิสัยโยนในวิสัยทุกคนจะต้องทำได้ปฏิบัติได้ก็พระพุทธเจ้าท่านทำได้เป็นตัวอย่าง ทำไมเราจึงทำไม่ได้พระอริยสงสาวกเจ้าทาั้งหลายในครั้งพุท ธ, ธกาลท่านทำได้ตลอดถึงอุบาสกอุบ า, าสิกาศรัทธาชาวบ้านชาวบ้านบางคนท่านปฏิบัติพระได้สำเร็จมรรคผลก่อนพระก็มีนั่นคือว่าท่านตั้งใจทำ คนเราถ้าตั้งใจจริงๆเนีายมันเข้าใจได้ง่ายถ้าไม่ตั้งใจแล้วอะไรๆก็หลุดหลุยไปหมดนั่นแหละต่อไปให้เราทุกคนตั้งอกตั้งใจไม่มีใครแหละจะช่วยตัวเราได้ตัวเราเองนั่นแหละช่วยตัวเราเองคือใจของเรานั้นใจของเราต้องมีสติความหละลึกได้ ว่เดี๋ยวนี้เวลานี้เราอยู่ในฐานะใดเยี่ใจเราได้นึกน้อมอยู่ในภาวนาไหมใจของเราเลื่อมใสในคุณพระพุทธธรรมประสงค์หรือเปล่าเราทําบาปหรือเราทําบุญเราคิดบาปหรือเราคิดบุญเราพูดบาปหรือเราพูดบุญ สิ่งเหล่านี้เราจะต้องเตือนตนเตือนใจของตนให้ได้แล้วก็จะได้แก้ไขสิ่งที่ผิดผดเหล่านั้นออกไปให้หมดขิ้นเอาแต่สิ่งที่ถูกต้องตามธรรมนองครองธรรมมาประพฤติปฏิบัติถ้ามันคล่องแคล่วว่องไวทาจิตทันใจทันกิเลสจึงจะละกิเลสความโกรธได้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 เววังก็มีด้วยกระกาละจะมีสัพพิติโยวิวัตทันตุสภะโลโควินั ส, สตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทานาสิริสนิจังวุธาปจายิโน ยะตาโรธรรมวาทันติอายุวันโนโสขังภาลังนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโต อาระหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธาขอนอบ น, อน้อมแด่พระผู้มีพระภาคการันตะสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งส ม, มาธิภาวนา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 ปล่อยวางอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดจิตการนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธินี้เป็นธรรมเนียมมาจากพระพุทธเจ้านั่งภาวนาใต้ลมไม่โพการนั่งขัดสมาธิเพตนี้ได้นําไปเวลานี้ได้ไป ขัดนั่งสมาธิในกรุงเทพในกรุงเทพภาวนาทุกวันถับไปเดี๋ยวนี้เมันก็หัดให้นั่งสมาธิเพชรทางนั้นไปเทศวัดเบญจกคนจะนอนหลายพันคนก็ให้นั่งสมาธิขัดสมาธิเพชรไปนั่งวัดวัดพันตีกลางลามคนก็ให้นั่งขัดสมาธิเพชร คือเป็นการฝึกไปในตัวแต่ว่าพวกมักง่ายมันงอนนั่งย่างใดก็ได้อันนั้นคือว่ามันเป็นอย่างหนึ่งที่คนไม่ไม่เลื่อมใสศรัทธาในการปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนาผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในการนั่งสมาธินันเป็นว่านั่งได้แล้วก็ ให้ดูสังขารมานกิเลสมานคนเราเวลาจะทำคุณงามความดีอันใดอันหนึ่งก็าตามมันมีอุปสรรคขัดข้องมากมายหลายอย่างแต่ว่าอุปสรรคนั้นถ้าเราตั้งใจให้มั่นคงมันก็ผ่านพ้นไปได้เขาแต่งครองคำสอนไว้ว่า อุปสรรคนั้นม า, มาให้เพื่อให้เราสร้างบารมีบารมีเราจะได้แก่กลเมื่อมันมีนมอุปสรรคเมื่อแก้ไขสิ่งที่อุปสรรคเลื่อนไปได้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลชีวิตของคนเราทุกคนที่เกิดมานั้นเขาว่ามันต้องต่อสู้ถ้าไม่ต่อสู้ก็ไม่ได้ต้องต่อสู้ ความสุขจริงๆนั้นมันอยู่ที่แร้ววาไทรชนะเมื่อได้ไทรชนะแล้วกเกิดความสุขขึ้นมา ก, การภาวานานี่ก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าล้วดูหนาวมันก็มักจะอ้างว่าหนาวนั่นแหละแต่ภาวา น, านาไม่ได้หนาวมากถ้าลองไปถึงแล้วดูร้อน ล่อนมากไม่ไหวเรือไหลไข ย, ย้อยนั่งไม่ไหวเอาไปเลเมื่อถึงฤดูฝนมันก็ติว่าฝนอันนี้พวกสังขารามานพวกพยามาณพยามาณ น, นั่นคือว่ามันเป็นใหญ่ในโลกใครจะทำดีที่ไหนมันถึงไม่พอใจขัดข้องตลอดการ แต่ถ้าคนทําชั่วเส้อหายแล้วมันชอบใจตบมือให้เพื่อให้มันผูกมัดลัดเริงให้มันอยู่ในโลกได้ให้นานที่สุดไม่ยอมให้ไปสู่นิพพานอันนั้นเราต้องให้เราวังมานกิเลสตั้งจิตตั้งใจบริกรรมภาวนา รวมจิตรวมใจเข้าไปทำอย่างไรจิตใจเราจึงจะมีความสงบสุขเยือกเย็นความทุกข์ใจไม่มีเราจะทำอย่างไรก็ไม่มีทางอื่นแหละก็มีทางภาวนาทำใจให้สงบตั้งมัน่นเมื่อจิตใจมีความสงบตั้งมัน่นอยู่ในจิตในใจได้มันก็มีความสุข <c oughs> สบาย ไมยต้องเดือดร้อนวุ่นวายแม่คนอื่นผู้อื่นสัตว์อื่นเขาจะเดือดร้อนวุ่นวายถ้าใจาเราไม่มีทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายมันก็สบายอารสบายใจนั่นแหละสำคัญกว่าสบายกายการรูปร่างกายนี้จะให้สบายจริงๆนั้นไม่ควรได้เพราะว่าร่างกายนี้ เป็นลังแห่งโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นในร่างกายสังขารนนตลอดเวลาถ้าเราไม่ภาวานาไม่สังเกตก็ไม่เห็นถ้าเราสังเกตก็จะได้เห็นนั่งในนั่งมันจะมีอุปสรรคมีทุกข์ขึ้นมาถ้านั่งนานๆหน่อยมันจะปวดมันเป็นนี่มึนตาอะไรต่อมีอะไร มันก็คือโครคภัยไข้เจ็บนั่นเองเมื่อเหนนะื่อยในการนั่งก็ยืนขึ้นยืนทีแรกก็สบายถ้ายืนนานๆเข้าก็ไม่สบายก็เดินเดินทีแรกก็สบายถ้าเดินมากเข้าก็ไม่ไหวเอือันนี้เอเว่าร่างกายสังขารมันเต็มไปด้วยสยามโลกา คอยจะให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นได้ทุกเวลาทีนี้ถ้ามันเจ็บใข้ได้ป่วยอันไรเกิดมีขึ้นมันก็ปรงแต่งไปก่อนละว่ามันจะกำเลิกมากจะได้ถึงแก่ความแตกความตายมันว่าไปนดทั้งๆที่มันนิดๆได้หน่อยเท่านั้นเหรหนั้นมารกิเลสเหล่านี้ท่านว่าให้รู้เล่ห์เหลี่ยมของมัน จะไปเชื่อไปลงถตามันยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่มันยังไม่ตายละภาวนาเรื่อยไปพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกหรือล้วนจิตใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวอยู่ในใจอยู่ภายในเมื่อทำภายในในใจได้เป็นข้างสินข้าวทำได้สม่ำเสมอ เท่าไรจิตใจมันก็มีกำลังมีความสามารถอาหารขึ้นไปโดยลำดับลาดับพอจิตใจนี้ก็เหมือนกับปลูกต้นไม้เมื่อปลูกต้นไม้แล้วระวังรักษาเจ้าของต้นไม้ต้องระมัดระวังรักษาให้น้ำให้อาหารให้ปุ๋ยต้นไม้ก็จะเรงขึ้นไปโดยลำดับ สมาธิภาวนาที่เราทำทุกคืนไหว้พระทุกคืนนั่งสมาธิภาวนาทุกคืนทุกคืนไม่ให้ขาดอันนี้มันก็ค่อยดีขึ้นไปโดยลำดับนั่นแหะแต่ว่าจะให้เหมือนความอยากความต้องการของมนุษย์คนเรานั้นย่อมไม่ได้ถ้าเราทำอยู่เสมอๆแล้วมันก็ได้มันไม่เหลือวอยู่ใส่เป็นไปได้ แล้วการนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชานี้ต้องทําใจเย็นเย็นทำใจร้อนไม่ได้จะให้ได้ดังความคิดความหมายอย่างโน้นอย่างนี้ปรุงแต่งลุ่ยไปมนะันไม่ได้สงบความปรุงแต่งเสี้ยตั้งใจบริกรรมภาวนาในจิตใ น, นใจของเราให้มันได้สม่ําเสมอ จิใจมันก็ค่อยเป็นค่อยไปมันไม่ใช่ว่าเป็นไปตามความมุ่งมากตามถนารวดเร็วเหมือนใจคิดใจอยากไม่ได้ต้องทำเลือกไปปฏิบัติเลือดไปอย่ามีความท้อถอยพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตั์ไว้แล้วว่าเอาให้ได้ทุกลมหายใจ คือว่าทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกล้วต้องนึกให้ได้เจริญให้ได้อยู่แต่นี้เมื่อมันได้ในขั้นนั่งภาวนาเดินจงกรมพอมันเกิดความเคยชินํำนาญขึ้นนั่งธรรมดาทำอะไรอยู่ก็ตามมันก็นึกได้เจริญได้ตั้งใจได้ไปตลอดเวลา ตอนแรกๆ ก, ก็ทำเป็นการเป็นเวลานานเข้ามาต้องเลือกแหละที่ไหนก็ภาวนาทางนั้นจะขับสมาธิจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะ่ายอะไรก็ภาวนาเลือกไปที่เจรณาอยู่ในใจอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวทำได้สมา่าเสมอเมื่อทำได้สมา่าเสมอแล้วมันก็เป็นไปได้จเจริญไปได้ติดต่อนอเนื่องกันไป เพ น, นั้นต้องตั้งอกตั้งใจมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจเมื่อผู้ใดมีความตั้งอกตั้งใจแล้วถนวัดเป็นผู้มีความเพียรพระองค์ทรงตรัสได้ว่าวิริเยนทุกขมัดเจติบุคคลจะล่วงทุก์ไปได้เพราะความเพียรความเพียรความพยายามในจิตใจนั้นแหละ เปียนไปพยายามไปทุกขณะทุกเวลาผลที่สุดสิ่งที่มันยากกลายเป็นง่ายสิ่งที่เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนกลายเป็นความสุขความสบายขึ้นมาเพราะมีความภาคเพียนพยายามอยู่ในหัวใจมีจิตใจอันตั้งมั่นอยู่ในธรรมะปฏิบัติไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเพราะว่าในโลกเรานี้ มันมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งหมดโลกนี้มันเต็มไปด้วยทุกทุกตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายโลกนี้ไม่ใช่ของบุคคลผู้ใดแต่ความหลงของสคนของสัต์เมื่อตัวเกิดมาที่ไหนเกิดยึดมั่นถรือมั่นในที่นั้นหมดเป็นแผ่นดินของเรามันเป็นแผ่นดินของกายตายแล้วก็ถมแผ่นดินพ้นที่สุด ทับผถมแผ่นดินทั้งคนทั้งจัตทั้งต้นไม้ป่าดงก็เกิดดับอยู่ในโลกมันเก่าเนี่ยผู้ภาวนายาได้ประมาทเอาให้ได้ทุกลมหายใจเมื่อภาวนาได้ทุกลมหายใจจิตใจที่ร้อนมันก็หายไปใจเย็นเข้าม า, มาแทนที่ใจดีเข้ามาแทนที่ ใจโมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญก็จะหายอันตราฐานไปมันขึ้นโยกับการปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ท้อถอยเมื่อไม่มีความท้อถอยแล้วท่านาต้องมีเวลาได้ใช้ชนะเพราะว่าจิตเป็นสิ่งสำคัญถ้าจิตมันตั้งมั่นดีแล้วอะไรมันก็ค่อยดีตามไป อันคำบุริกรรมภาวนานั้นอะไรอะไรถ้าหากว่าเจริญให้มากพิ่เจรณาให้มากทุกอย่างแล้วอะไรมันก็เป็นอุบายทางนั้นะที่จะยังให้จิตใจสงบหลังอับแต่ถ้ามีแต่ความอยากความต้องการแต่แเราไม่ทําขาดสติ บ, บ่อยขาดสมาธิ บ, บ่อยขาดปัญญาหน่อยขาดความอดความทน อะไรอะไรก็เสียไปหมดตัวตั้งตัวตั้งใจตั้งกายวาจาจิตไม่ได้เพรานั่นกิเลสมานสังขารมานขันธามานอย่าให้มันมารบกวนใจให้มีแต่ดวงใจนแน่วแน่มั่นคงอยู่ในหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลาจิตใจมันก็เย็นสบายมัน